<c oughs> ง่ายๆจบง่ายๆ่างแห่งเขาก็สารพัญญะเราจะพูดไปเรื่อยๆหรือเราจะมีหน้าโม่ด้วยคือเราเห็นว่าการพูดธรรมะเนี่ยเราชอบตั้งประเด็นให้ให้คิดอยู่เรื่อยว่าเราจะพูดแง่ไหนถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์ต่อต่อเมื่อทุกคนต่างตั้งตั้งใจฟัง <c oughs> เอายกครูเสียใหม่ก็ดีนะเนีะนหมนะโมตัสสะมะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมุทัสสะนะโมตัสสะ ภาควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุท ธ, ธัสสัตนะโมตัสสัตภาควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุท ธ, ธัสสัตกิรังติทัตุสัทธมโมตี จะฟังให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือฟังไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยแท้ที่จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นเรานั่งคุยกันเสียเวลามากอุตสาา่าห์มายากเย็นนะเรานั่งฟังไปด้วยเราภาวนาไปด้ว ย, เร า, าววยเราเคยพูดบ่อยครั้งเวลาเรานั่งภาวนาเวลาเรานั่งฟังเทธเนี่ย เราเอาการภาวนาของเราเป็นฉากหน้าเอาคําเทศที่เรากําลังนั่งฟังอยู่หเป็นฉากหลังถ้ามันตกจากถ้าจิตของเรามันตกจากฉากหน้าไปก็ให้ไปอยู่กับฉากหลังฉากหน้าก็คือตั้งใจขอเพอภาวนาคุโพรู หรือใครถนัดสัมมาอรหังกสัมมาอรหังสัมมาร ห, หรือใครจะถนัดพองหนอยุ่หนอถนัดยังไงก็ใช้ได้เลยใครจะถนัดในแง่ของการพิจารณาตามหลักมหาสติกับพิจารณาได้เลยเกิดประโยชน์แต่ว่าต้องตั้งอกตั้งใจทําอย่างจริงจังนะแต่มันก็ห้ามกันไม่ได้เหมือนกันนะเพราะบางคนเนี่ยจิตมันเกาะกับเสียงเทศ ถ้าหากมันเกาะกระเสียงเทศแล้วก็เกาะไปเรื่อยๆเกาะื่อจะหยั่งลึกเข้าไปถึงอัดถึงทำถึงเนือ้อเนื้อหาของอัดของทำอย่างแท้จริงมันเกาะเหมือนกับว่าเหมืนอนกับวเนื้อหาของอัดของทำ ม, มันแหลมที่สุดคมที่สุดเข้าไปสู่หัวใจของเราแล้ก็เกาะไปเรื่อยๆเกาะไปเรื่อยๆก่อนก็ได้แต่ถ้าหากรู้ซึ่อกว่าเกาะไปเกาะไปแล้วมันจางมันจางมันคล้ายๆจะหลุดขยับมาอยู่กับคําบริกรรมของเรา หรือเราไม่อยู่กับคำเทศเราก็ม่อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวก็จะได้ผลสองอย่างผลอย่างหนึ่งก็คือเราตั้งใจภาวนายัางไงยังไงเสียงเทศก็ต้องได้เข้าหูเราอยู่ดีใช่ไหมเสียงเทศจะต้องได้เข้าหูเราอยู่ดีปกติของปกติของจิตเนี่ยจิตที่มันจะโอนไปเดินไปอ่อนไ ป, ออ น, ไปน้องไป อะไรที่ถูกใจที่สุดจิตมันก็จะอ่อนไปมันจะน้อมไปอะไรที่มันไม่ถูกมันก็จะไม่อ่อนไปแหละอันไรที่ถูกจิตบอกจิตหน้ากดกดจิตออกจิตใจที่สุดจิตมันจะอ่อนไปจิตมันจะน้อมไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามให้อยู่กับคำปริกรรมของเรามันได้ผลทั้งทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยให้ได้รับความสงบความสงบอยู่ในขั้นอยู่กับเนือน้อยู่กับตัว หากมันไม่อยากอยู่กับคําบริกรรมไปอยู่กับเสียงเนื้อหาของอัดของทําก็อยู่ได้ขยับขึ้นไปขยับขึ้นมาอย่าให้มันออกไปข้างนอกอย่าให้มันออกไปจากห้องนี้ก็แล้วกันเลยนะอย่าให้จิตออกจากห้องนี้ให้อยู่ในกายนี้ให้มันอยู่ในจิตนี้นี่ก็ถึงว่าเราตั้งใจฟังเพื่อเอาประโยชน์ไปเพื่อตั้งใจจะพฤฤึกปฏิบัติอย่างแท้จริง ที่บ้านอาดีตรงนี้เนี่ยเราก็มาหลายวาระแล้วนะวาระนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งปีนี้เรายังไม่ได้มาพูดเลยปีหน้าเขาจองไปแล้วสอ ง, สองที่สองวาระโอ้เอาเป็นว่าการเวลาข้ังหน้าเป็นเรื่องไม่แน่นอนก็แล้วกันนะอ่าเป็นเรื่องไม่แน่นอนถ้าเป็นปกติตามนั้นเราก็จะมาได้แต่ถ้าหามันไม่ปกติ มันก็เป็นไปตามนั้นกั็แล้วกันแหละเพราะเรื่องความอานิจังทุกครังอนาตาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเว ล, เวลาเรื่องภารกิจอะไรอะไรมันเป็นเรื่องแน่นอนทั้งเราทั้งท่านเพราะฉะนั้นเราก็เป็นแต่เพียงรับทราบเอาไว้ว่ถึงการถึงเวลาตอนนั้นถ้าพร้อมเออจะใช้ได้ถ้าไม่พร้อมก็กทําไงก็มันไม่พร้อม <c oughs> เราก็เห็นใจที่พวกเรานี่ตั้งอกตั้งใจขวนขวายอยากได้ยินเสียงตราเสียงถ้ำเพราะฉะนั้นจริงอุตศาส์บึกบุนมาเรามาคราวก่อนเราก็เคยบอกแล้วว่าลงพ่อต้องฝ่าฝูงฟฟชนมาเป็นหมื่นนะกว่าจะม า, มาได้มาพูดทรมัดตรงนี้ซึ่งมีคนฟังแค่นี้หลงพ่อต้องฝ่าคนมาเป็นหมื่นที่สนามบินไปดูที่คนเป็นหมื่นนะ <laughs> มีทุกอย่าง เดี๋ยวนี้ทัวร์จีนมันลงนโอ้ยแอแอร์อัเดเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องฝ่ามาเอาเสียงเป็นเสียงตายมาเหมือนกันนะกว่าจะได้มานั่งอุตม์ตรงนี้เพราะฉะนั้นฝ่ายพวกเราตั้งอกตั้งใจเราแล้วกันถึงจะเป็นเวลาช่วงระยะสั้นช่วงระยะน้อยก็ตามแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจตรงนี้ระยะนี้เวลานี้อาจจะเป็นที่ที่ จุดประกายชีวิตให้กับของเราให้กับเราได้สามารถเป็นอนุสรณ์ชีวิตที่จะทําให้เราเปลี่ยนจากนั้นมาเป็นนี้เปลี่ยนจากนี้ไปเป็นนั้นเปลี่ยนจากที่หยาบหยาบเข้ามาละเอียดเ <c oughs> ข้าละเอียดเ <c oughs> ข้าละเอียดเข้า <c oughs> จากที่เคยย่อนยานเรื่องสิ่งเรื่องธรรมจะทําให้เราได้พัฒนานาเข้ามาสู่สิ่งธรรมอย่างอย่างจริงจังสักทีหนึ่งเพราะชีวิตของเราของท่านเนี่ยล่วงไปล่วงไปล่วงไปไม่แน่นอน ร่วงไปล่วมไ ป, ไปร่วมไปร่างกายสังขารมันร่วงไปร่วมไปนอกจากนั้นแล้วก็เวลาก็ล่วมไปร่วงไปเวลากับความเป็นอยู่ก็ไม่แน่นอนเชอีกเราเบ็บใครไปป่วยตายวันตายพระูตา ย, า ต, า ย, ต, ายตอนไหนท่านยืนว่าไม่แน่นอกท่านยืนบอกว่ า, วาใครตั้งใจจะทําอะไรให้รีบทําใครตั้งใจจะทําอะไรให้รีบทําคําว่าอะไรในเช่นี้ ก็คือความเป็นบุญความเป็นกุศลนั่นเองใครตั้งใจจะทําบุญจะทํากุศลใครตั้งใจจะทําก็ให้รีบทําแต่ถ้าตั้งใจจะไปทาําอกุศลก็ขอให้ยกให้ยกเลิกให้รับให้เวน้นคือถ้าหากเราตั้งใจจะทํากุศลเราไม่รีบทอาอกุศลนี่แหละมันจะมาทําแทนอกุศลนี่แหละมันจะอาจจะมาทําแทนเราจะไม่รู้จะทําไง ว่ามันรู้จะคว้าอะไรเราคว้าอะไรไม่ติดไม้ติดมือคว้าอะไรไม่ถูกเราคว้ามาถูกพุทธโธก็เอาพุทธโธเอาเป็นเอาตายอยู่กับพุทธโธสมารหังพองหน่อยยหนอเดินขวายกหนอย่างหนอยกหนอทำได้เลยขอให้เราตั้อกตั้งใจทำมันเป็นเรื่องของการปลุกสติปลุกปัญญาสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้กับเราได้เป็นอย่างดี เป็นเรื่องที่ไม่เสียท่าไม่เสียทีการเวลาล่วงไปชีวิตล่วงไปแต่ถ้าเราสะสมอารมอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งเข้าก็จะทําให้เราสร้างคุณงามความดีสร้างคุณภาพให้กับชีวิตของเราคุ ณ, ค, ณคุณงามความดีเหล่านี้ตายแล้วไปด้วยกันเกิดที่ไหนไปโกรธที่ไหนก็ไปตามพลังของสีคำนี้แหละจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับพวกเราชาวพุทธที่เราตั้งปกตั้งใจขวนขวาย เพื่อสร้างเพื่อทำคุณงามความดีกิ่งขออนุโมทนากับทุกๆ ท, ท่านเ <c oughs> มื่อวานก็มีคนที่จะมาถ่ายภาพถามไปว่าหลวกพ่อจะเทศเรื่องอะไรเราก็คิดไม่ออกนะเราก็เลยตอบมาว่าจำได้เจ้าของจำได้หรือเปล่าเราก็ตอบมาว่าหลวกพ่อเทศไม่แบบไม่มีหัวข้อเรื่อง เวลาหลวงพ่อเทศหลวงพจะรวบหมดเลยหลวงพ่อจะรวบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยเลยขึ้นพระบาลียิรังติทุตสัทธรรมโมพูดถึงพระสัตธธรรมพระขอพระสัตธธรรมของสัตว์บรทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองยืนนาน จงเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนมาพระสัทธธรรมพระสัตธธรรมก็คือตามหลักท่านก็พูดถึงปริยัติปฏิบัติปฏิวิปริยัตก็คือการเรียนรู้การได้ยินการได้ฟังการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งหลักปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราหัดเรียนเขียนอา่านนี่แหละเป็นหลักของก ป, ปริยัต เมื่อเราได้ยินได้ฟังยังไงแล้วก็เอามาปฏิบัติเมื่อตั้งใจปฏิบัติหมายความว่าเรามาสร้างเหตุอย่างแท้จริงเมื่อเราตั้งใจตั้งตั้งอกตั้งใจสร้างเหตุอย่างแท้จริงแล้วจะต้องมีผลตกหลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นปฏิเวทปฏิเวทธรรมปฏิเวทธรรมถ้าหากประสิท์การปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรหลงเหลือเป็นปฏิเวทแต่ถ้าหากเราประสิ์การปฏิบัติแล้ว ปริญญาเราก็เรียนท่องจําได้เหมือนนอกแก้วลบนกขุนอทองที่หลวงตาท่านจำเนิดการเรียนไม่เอาไปปฏิบัตินะท่องได้จําได้อะไรได้เหมือนนอกแก้วลบขนทองหรือท่านกำเนิดแต่ถ้าเรียนรู้เพื่อเอามาปฏิบัติมันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนจะต้องเอามาปฏิบัติการเรียนรู้นั้นหมายความว่าเขาได้ยินได้ฝังเราได้ถูก ได้ยินได้ฟังได้บอกได้สอนโดยเฉพาะเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้บอกได้สอนแล้วก็มาไข่ครวนมาเป็นสุตะสุตะแล้วก็มาจินตะมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสุตามียะปัญญาการได้ยินได้ฟังปัญญาขั้นเราศึกษาอบรมจากการอ่านจากการฟังที่เรียกว่าสุตามียะปัญญาแค่นี้ก็ทําให้เราปลื้มใจทําให้เราปีติใจทําให้เราอ่อน อ่อนโยนตามหลักของศีลของธรรมทาให้เกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาทําให้เกิดความปลื้มปีติได้เหมือนกันนะปริญญาในการเรียนรู้หลักธรรมของทตเจ้าตั้งแต่เริ่มเรียนรู้จากนั้นแล้วเราก็เอาไปพิจารณาการพิจารณ า, า, ร จ, า, รณาจะเรียกว่าเอาไปไปจินตักจินตักจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการเอาไปพิจารณาการเอาไปพิจารณานั่นแหละเมื่อพิจารณาไขครัควเห็นถูกต้อง ดีดีแล้วก็เอาไปตั้งใจประพฤติปฏิบั ต, บติกลายเป็นปฏิบัติเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วนี่ยจะต้องมีผลตามมาจะต้องมีปฏิเวทตามมาในชีวิตเราของเราถ้าหากเราไม่เคยตั้งใจภาวนาะพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธให้ใจอยู่กับอารมณ์เดียวเล ย, เ น, ยนะการที่จิตของเราใจยุ่งยู่ยากเพราะปกติจิตมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องนึกจะต้องคิด มันไม่อยู่กับรูปมันก็จะไปอยู่กับเสียงอยู่กับกลิ่นอยู่กับรถอยู่กับสัมผัสอยู่กับอารมณ์ที่มันตกค้างอยู่ในหัวใจของเราอารมณ์ที่ตกค้างอยู่ในใจจิตที่จะอยู่โดยไม่ลึกไม่คิดเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่ได้เอามาตั้งใจปฏิบัติไม่ได้เอามาตั้งใจบริกรรม อย่างนี้แล้วเนี่ยหมือนก็ว่าเราไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติปฏิเวทก็ไม่มีแต่ถ้าหากเราตั้งใจปฏิบัติคือตั้งใจอบรมให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธการร่วงไปครปึ่งชั่วโมงการล่วงไป1ชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงหรือทําครั้งละสินาที20นาทีทําบ่อยครั้งเข้าจิกขเราจะเริ่มชินเริ่มเชื่องเริ่มชิ น, เ, ชนเพราะการระงับให้อยู่กับคําว่าพุโทโธอย่างเดียวนั้นแหละ มันมันเป็นการเริ่มให้จิตของเราเ น, นี่ยสงุบระงับอยู่กับอารมธรรมปกติจิตมันไม่อยู่กับอารมธรรมมันไม่ข้อใจอยากอ ย, กอยู่มันอยากพิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสเพราะสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันเป็นวัตถุการมวัตถุการมวัตถุการมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันเป็ น, กก น, น, น, ปนโครจรของจิตที่จะพึ่งโครจรไป ที่จะพึ่งครจรไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากตั้งใจปฏิบัติธรรมให้มีความเจริญงอกเงยเจริญงอก ง, ง, ง, ง, งามก็ขอให้เราตั้งใจภาวนาะให้ใจได้รับความสงบเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจิตของเราก็จะสงบจิตของเราสงบแล้วจิตของเราก็เบาสบายปลอดโปรง่งสติเอ่ยสัมปชัญญะเอ่ยความอดความทนเอ่ยวิริยะอุตสาหะความอดความทนฮิริโอ ต, ตปัดอะไรทั้งหลายทั้งวงก็ตามเข้ามา เหตุปัจจัยอย่างไดอย่างหนึ่งที่จะพึ่งเกิดขึ้นในอาชินกรรมที่เราเป็นอยู่ด้วยเหตุที่เรามีสติมีสมาธิมีอะไรอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวแล้วก็ทำให้เราเริ่มมีความมุ่มีความคิดเป็นของตัวเองเห็นเหตุเห็นปัจจัยที่จะทําให้เราเห็นเหตุเพื่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริงได้เห็นเหตุเพื่อความเจริญเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นเหตุเพื่อความเสื่อมเห็นได้อย่างชัดเจนคือการเริ่มตั้งตั้งใจครับเพราะฉะนั้น แม้แต่การที่เราได้ยินได้ฟังาการพูดธรรมะอย่างนี้นี่ก็เป็นการพูดปริยัติปริยัติการได้ยินได้ฟังมันเป็นปริยัติแต่ปริยัติแบบทั่วทวไปกับปริยัติแบบภาคปฏิบัติก็มีนะปริยัติแบบภาคปฏิบัติเหมือนอย่างที่สายป่าเราชอบพูดชอบพูดธรรมะแง่ของการตั้งใจภาวนาการภาวนาก็ถือว่าถือว่าเบื้องแรกก็ถือว่าเราได้ยินได้ฟัง เมือเราได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นปริยัติเหมือนกันแต่มันเป็นปริยัติแบบปฏิบัติท่านแนะนวในการทําจิตเหได้รับความสงบเนี่ยท่าสอนให้เราเจริญสมาธินะครับแต่การเริ่มนั่งขวาขาขวาทับขาซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยตั้งกายให้ตรงจะนะครับจำลองจิตให้มั่น แล้วพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆฉะนั้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธลองคอยลองประคับประคองจิตดึงจิตขเราให้อยู่ให้ระมัดระวังให้ประคับประคองอยู่กับคําว่าพุทโธลองดูล่วงไปหนึ่งนาทีล่วงไปห้านาทีล่วงไปยีสนาทีครึ่งชั่วโมงถ้าหจิตของเราอยู่กับคําว่าพุทโธตลอดนั่น จิตก็เราไม่วิ่งหุ่นไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสแล้วจิตเราเริ่มอยู่จิตขอเราเริ่มอยู่ไม่ไปวุ่นกับสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าจิตของเราเริ่มออกจากกาลจิตของเราจะเริ่มออกจากกาลอย่าียกว่าจิตใจของปุถุชนนั้นอ่ะภายในจิตใจนั้นใจชุ่มแปร่ไปด้วยกาลถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับไม้สดสดอะไรไม้สดสดปกติมันจะชุ่มกับยางมันก็ชุ่มจะชุ่มด้วยยาง พวกเราซึ่งเป็นไม้สดๆชุ่มด้วยยางแล้วบางทีเราพยายามมักจะเอาไม้ที่ชุ่มด้วยยางแล้วเนี่ยไปแช่ในน้ําอีกเอาไปแช่ย อ, ย อ, ชยอยู่ในน้ำอีกเพราะฉะนั้นเราต้องการอัดทำที่จะมาตั้งใจถูถ่ายให้เกิดไฟมันเกิดได้ยากมันเกิดได้ยากเพราะฉะนั้นใครอยากภาวนาได้อยากภาวนาเป็นต้องทําจะให้ได้รับความสงบซะก่อนต้องทําจะให้ได้รับความสงบจริงอยงู่การที่เรา กำหนดพิจารณาไปตามเดิ น, เ ด, น, น, น, นดเดินนะั่งนอนมีสติกำกับแต่เขากเดินนอย่างนอเหยียบนอะหายใจเข้าพุทธหายใจใหายใจใหายใจเข้าก็พองนะหอหายใจออกก็ยนะุบนออยู่ตามกิริยาการเหล่ น, นี้อันนี้กรรมมันก็เป็นวิธีการเอาจิตไม่อยู่กับกิริยาการของกายเพื่อต้องการให้ใจ ของเราได้รับความสงบอั น, นก็เป็นกิจยานหนึ่งเป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่งพวกเราเรียกว่าเป็นวิปัสนาเป็นทิปปัสนาเป็นหลักของวิปัสนาหรือไม่เราก็ไปพิจารณากายพิจารณาเวทนาหรือพิจารณาจิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็เหมือนกับเราพิจารณาการเดินการยืนการนั่งการนอน ฟองนอยยุบนอยเดินน้อยย่าวนอยอะไรมันเหมือนกันหมดเพราะมันเป็นหลักการเจริญมหาสติการเจริญหลักเจริญมหาสติอย่างนี้หมายความว่าเอาสติของเรามาใช้อย่างเต็มเต็มเลยเอาสติมาเป็นเครื่องมือในการประคับประคองจิตของเราเอาจิตมามัดเอาสติมามัดจิตมมให้จิตมีสติกำกับอยู่กับงานยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นเหตุมัดจิตของเราไม่ให้จิตของเราไปพวว ไปปั่วพันธุ์ไปยุ่งไปเกี่ยวกับการมทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นเหตุทําให้จิตของเราได้รับความสงบเป็นวิธีหนึ่งแต่สายปา่าเราครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าให้สงบเลยให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวไม่ต้องไปตามรู้ตาหูจมูกลิ้นกายยังไม่ต้องไปตามให้สงบลองซะ ก, ก่อนให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวเราต้องการให้เขาอยู่กับอารมณ์เดียวคือตั้งใจภาวนาพุทโธนั่นเองเราอยากให้จิตของเราสงบ เราตั้งใจให้เขาสงบอย่างเดียวเขาจะสงบไม่ได้ต้องมีงานให้เขาทำมีงานให้เขาอยู่เพราะฉะนั้นกุบาาจรย์ท่านจึงให้เราเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจกํากับด้วยลมหายใจเข้ากํากับด้วยลมหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอานาปานสติแล้วก็เป็นการนำสพุทโธพุทโธไปพุทโธไปด้วยเป็นพุทธานุสติ เป็นอานาปานสติหรือจะอาอนาปานัสติอย่างเดียวก็ได้ตามลมเข้าลมออกกําหนดลมเข้าเข้ายาวกรู้ว่ายาวออกยาวก็รู้ว่ายาวเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นออกสั้นก็รู้ว่าสั้นต้องการกดลมลมต้องการกลั้นลมต้องการอะไรไปดูในหลักมหาสติปัฏฐานที่ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องกายให้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องรูปเนี่เกี่ยวกับเรื่องอาอน า, าปานัสติกอย่างนี้ก็ได้ เพื่อที่จะทําให้ใจของเราได้อยู่กัแบบสิ่งเหล่านี้ไม่มวิ่งว่อนไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามร้ตามสัมผัสจิตของเราอยู่จิตของเราจะสงบแค่เรารักษาจิตของเราอยู่กับอารมณ์อารมณ์ฌานอารมณ์แรกที่เรียกว่าปฐมฌานเนี่ยเรามาพิจารณาดูแล้เนี่ยดูเหมือนไม่เหลือปากว่ายนะถ้าให้มีวิตกวิจารณ์วิตกก็คือความตึกวิจารณก็คือความรอน อย่าพุโทโธพุธโทโธและประคองไปเรื่อยวิจารณคือความตรองตรองก็คือประคองเอาอะไรมาประคองเอาสติเอาสัมผัจัญญักเอาปัญญาเอาความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละมาประคองพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธประคองให้เป็นเส้นทางยาวเป็นเส้นทางเดียวพื้นเข้าไปเลยไม้มมันขาดให้มันติดมันขาดมันติด ม, มันขาดมันติดมันขาด ถ้าเป็นการติดขาดติดขาดติดขาดจะถือว่ามันขาดช่วงสติของเรามันขาดคำว่าขาดก็คือสติมันขาดพอสติขาดปั๊บตัณหามประแทรกแทรกเข้ามาจนงที่มันขาดนั่นแหละตัณหามันคอยแต่จะหายช่องออกมาเอาจิตมาใช้อยู่แล้วแหละเวลามันออกมาเอาจิตไปใช้มันออกมาอย่างไงมันออกมาเอาจิตไปใช้นึกเรื่องรูปนึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียดนึกได้หมดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส แม้แต่ไม่รูปไม่ได้นั่งดูรูปไมไ่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาหูฟังเสียงไม่ตั้งใจจะดมกลิ่นลิ้มรสไม่ตั้งใจจะรับสัมผัส like แต่ว่ามันตกไปเป็นสัญญาอารมณ์มันตกไปเป็นสัญญาอารมณ์เช่นอย่างจาับขูดจับขูดสัมผัสสัมผัสทางรูปรูปสัญญา่มันกลายเป็นสัญญาอารมณ์ เป็นรูปสัญญาเป็นศัพท์สัญญาเป็นสิวหาสัญญาเป็นกายยักสัญญาเนี่ยเป็นคันท่าสัญญาแล้วก็เป็นมโนสัญญามันเป็นไปหมดแต่ถ้าเราปล่อยช่องว่างทีไรเมื่อไร่ตัณหามันมาแทรกพอตัณหาเข้ามาแทรกทีไรเมื่อไรก็กลายเป็นยินดีบ้างกลายเป็นยินร้ายบ้างเนี่ยตัณหาถ้าหาเราปล่อยให้ตัณหาทํางาน พยายามสร้างผลงานให้กับตัวเขาเองแหละอย่าลืมว่าพวกเราทุกคนแต่ละคนแต่ละคนเป็นผลงานของตันหานะตันหาอยู่เบื้องหลังของเราทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีตันหาพวกเราก็เกิดเกิดไม่ได้พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านตัดตันหาทิ้งหมดแล้วท่านไม่มีภพไม่มีชาติท่านไม่ต้องไปเกิดแต่พวกเราถ้าพูดถึงเรื่องไม่เกิดแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วเกิดแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านไม่ไม่เกิดนั้น พระอริยเจ้าที่ท่านไม่เกิดนั่นนะพระอริยเจ้าท่ารงกล่าว่าประมังสุขันประมังสุขันนั่นเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขยังไงพวกเราพยายามไปให้ถึงก็แล้วกันพวกเราพยายามไปให้ถึง เ, เ, งงเนี่ยเราต้องการให้จิตได้รับความสงบเราว่าต้องเอางานนี่แหละให้เขาทำพุทโธพูดโธเขาจะอยู่ในในอารมณ์แรกที่เรียกว่าปฐมฌานอารมณ์ที่ มีฟุตโทู e Truman, ain, ุ้ตโทมีวิตกมีวิจารทำไปทำไปทำไปทำไปเหมือนกับเราก้อนอาหารเข้าปากเคี้ยวคลืนเคี้ยวคลืนเข้าไปก้วนอาหารเข้าปากเคี้ยวคลืนก่อนเคี้ยวคลืนเข้าไปสักหน่อยหนึกจะเริ่มอิ่มที่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์จิตอิ่มอารมณ์คําว่าพุตโทพุตโธพุตโทนั้นเป็นอารมณ์แต่มันเป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนธรรมเราใช้ความนึกความคิดนิลมแต่มันเป็นความนึกความคิดที่เป็นธรรมพอเราบริโภคเข้าไปบริโภคเข้าไป บริกรรมเข้าไปบริกรรมเข้าไปจะเริ่มอิ่มที่เรียกว่าปีติแล้วก็ความอิ่มถึงแม้ว่าเราจะไม่บริกรรมจิตก็ไม่ไปไหนทีแรกเร า, อ า, เ, ร า, าเอามาบริกรรมเพื่อที่จะมัด จ, จิตให้มันอยู่ให้มันอยู่กับกายนี้ใหันอยู่กับจิต น, นี้น เ, นเราก็ไม่ทิ้งคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพอเราว่าไปนานนานนาน น, า น, น, านไปสักพักหนึ่งเนืน้อเมื่อเขาเข้าอิ่มพอเขาอิ่มแล้วเขาจะเขาจะหยุดหยุดหยุด หยุดบริการพุทโธพุทโธถึงเขาจะหยุดบริการพุทโธแต่จิตก็ไม่ไปไหนเราก็อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเรานี่แหละนี่จะเรียกว่าจิตสงบจิตจะเริ่มสงบแล้วก็จะมีปีติแล้วก็จะมีความสุขเรื่องอยากว่าจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวต้องเป็นภาคพื้นอารมณ์อันเดียวต้องเป็นภาคพื้นอย่างพุทโธพุทโธถ้าเรายัอยู่กับพุทโธตลอดก็อยู่กับอารมณ์อันเดียวต่อมาก็จะเกิดปีติก็จะเกิดความสุข อค่นี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์อารมณ์แรกเป็นปฐมเป็นปฐมฌานนะถ้าท่านจะพูดถึงฌานท่านดำรงท่านดํารงจิตท่านได้แค่นี้เวลาใกล้จะตายเป็นเกิดชูงกว่าสวรรค์อีกนะอันที้สองเนี่ยชูกว่าสวรรค์หกชั้นเข้าไปอีกนะอยู่กับอารมณ์ของฌานเรามาดูแลนี่มันไม่น่าจะเหลือบา ก, กว่าแรงใช่ไหมเอพุโทโธพุทโธเราก็ดําริดได้เนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุโธ ตั้งใจทําเข้าไปนี้จะมีพลีติเกิดขึ้นจะมีความสุขเกิดขึ้นเอกคตาคืออารมณ์อันเดียวจะต้องเกิดขึ้นถ้าอารมณ์อันเดียวเกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่าเราจับไม่อยู่จับหลุดจับหลุดจับหลุดจับหลุดอ่ามันไม่อยู่ถ้าเป็นเส้นถ้าเป็นเส้นกัแบบเดี้ยวขาดเดี้ยวขาดเดี้ยวขาดเราไปดูบนถนนบนจราจรถนนนั่นน่ะไอ้ตรงนี้ก็ติดขัดติดขาดติดขาดติดขาดนั่นแหะคือจิตของเรามันไม่อยู่กับอารมณ์อันเดียว เราพยายามทําให้พ่งื้นบ น, นเส้นทึบยาวๆบนเส้นถนนนั่นแหนะเราดูพยายามทําจิตของๆรต่อเนื่องขนาดนั้นแหละตัณหามันถึงจะแทรกไม่ได้จิตของเราจะได้รัคบคว า, ามสงบพอจิตเราสงบแล้วจิตของเราก็จะทิ้งคำวันดำเหลือแต่ปีติเหลือแต่ปีติเห ล, ลือแต่สุกเ อ, เ อ, เอกเกกตาเนี่ยลึกเข้าไปเอียดนะอารมณ์รู้ิตขเรามันจะลึกเข้าไปเอียดเหลือปีติเหลือสุขเหลือเหลือเอกกตามันจะมีความสุข มันจะมีเพีติดมันจะมีความเบากายเบาใจมีความปลอดปลองใจอิ่มออกอิ่มใจอ่ามันจะมีรสชาติของหมันโอชาติของถัรมมันจะมีรสชาติของถังจะมีอยู่เหลือเพีติเหลือความสุขเหลือเอกกกตตาเอกกตตาต้องเป็นภาคพื้นอยู่แล้วแบบทำให้เนียยลึกเข้าไปเข้าไปมากนี่เหลือสุขเหลือเอกกตตาเหลือสุขกับเอกกับกัตตาลึกเลยเข้าไปอีก ถึงขั้นที่สมขั้นที่4เหลืออุเบกขากับเอกเขาตาเรื่องธีกิตสว่างเราไม่มีกิริยาการเนี่ยใครมีความสามารถทําให้ลึกเข้าไปได้หนึ่งขั้นที่1ขั้นที่สองขั้นที่สถึงขั้นที่4แค่นี้ขั้นไหนก็ตามท่านจะมีกําลังท่านจะมีกําลังเพราะการทําจิตเหตุในรับความสงบนั้นมันเป็นการสร้างกําลังให้กับจิต จิตที่มีกําลังกับจิตไม่มีกําลังต่างกันนะจิตมีกําลังก็คือจิตที่มีความสนุกที่จะเรียกว่าจิตมีสมาธิคำว่าสมาธิภายในจิตนั้นคือจิตพร้อมพร้อมที่จะทํางานถ้าเราจะทํางานถ้าเราจะเทียบกับเมื่อวานเรานั่งบนเก้าอี้เราพร้อมจะทํางานเขียนหนังสือเนี่ยเรามีปากกาเรามีกระดาษเรามีอะไรส่องให้เห็นเรามีเรื่องราวกำลังพร้อมพร้อมที่จะคิดที่ฉะนั้นเขียนเอาเขียนเอาเขียนเอาเขียนออกคือมันพร้อม ทำอะไรก็ได้ได้เนื้อได้หาได้ได้เรื่องได้ราวที่เราเขียนขึ้นมาเลยสมาธิภายในจิตเช่นเดียวกันเหมือนแบบทุกอย่างมันพร้อมเวลาเรามาพิจารณาให้เกิดปัญญามันพร้อมที่จะเห็นอัดเห็นธรรมมันพร้อมที่จะเห็นหลักของสัจธรรมแต่ว่ามีสมาธิมีสมาธิแค่สมาธิอย่างเดียวเราก็มีความสุขมีความเกิดอยู่ ปัญญาหยาบหยาบสัจจะหยับหยาบจะได้ปรากฏในจิตดวงนั้นนะท่านทั้งหลายลองลองทำให้จิตได้รับความสงบได้รับความสงบลองดูจิตของเราจะแปลก่ยนแปลงอัศจรรย์และความสงบนี้มันเป็นความสงบที่เป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานของจิตเป็นคุณสมบัติของจิตเป็นคุณสมบัติของจิตที่ชื่ว่าเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ว่าเป็นคนใจดีเอาความสงบของจิตเอาสมาธิพร้อมจิตอะไร มาเป็นเกณฑ์คว่ า, าเป็นคนใจดีคนมีสมาธิดีจะต้องมีปัญญาดีคนมีปัญญาดีจะต้องมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยแจ่มแจ้งชัดเจนกว่าคนไม่มีปัญญาดีคนไม่มีปัญญาดีแสดงว่าคนสมาธิไม่ค่อยดีจิตขาดจิตขาดเว็มาแว็บเวเข้ามาอลไรหายไปแล้วเว็บเข้ามาอลไรหายไปแล้วเว็บเข้ามาแล้วหายไปแล้วถ้าจิตใครเป็นอย่างนี้คือจิตไม่มีสมาธิ เดี๋ยวนี้เราได้ยินคําอีกคำหนึ่งครว่าสมาธิสั้นจากนั้นอีกก็มีคํานึงเราก็าได้ยินใหม่ๆว่าสมาธิตื้นเออก็ดีเหมือนกันเว้ยมีคําแปลกๆเข้ามาสมาธิสั้นสมาธิตื้นคุณสมบัติอันนี้ถ้าเราพยายามอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้แล้วจะทําให้พวกเราอยากเจริญสมาธิการเจริญสมาธิไม่ใช่เราจะทําทอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอะไร ช่วงที่เราเจริญให้สงบเราก็ทําให้สนุกเข้าไปเวลาเขาสงกเข้าไปแล้วเขาคลายคลี่คลายออกมาเราก็พิจารณาทานงนั้นปัญญาเข้าไปทางนั้นปัญญาหรือวิปัสนาแบบที่เราทำํำๆนั่นแหละเราก็ทําเข้าไปมันจะมีผลแตกต่างกันบางทีเราเจริญด้วยิปัสนาเยอะเจริญไปเจริญไปเจริญไปแต่เวลาวิปัสนาจะเกิดมันก็เกิดความสงบนั่นแหละมันก็จะเกิดความสงบเราต้องการและเกิดเราต้องการยาน บางคนของหน อ, อยหนอนอะไาจะได้ชั้นหนึ่ง 2, ชั้นสองชั้นสิบกวบโอ้แล้วมงอยไถึงทัทีเราไปม่วงเอาแด่เราไปมุ่งออ เ, เางอาแต่ยานเหล่านั้นแหละแต่ถ้ า, า ก, กําลังความสงบของเราไม่พอยานก็เป็นยานที่ไม่ค่อยจะชัดเจนยิ่งเป็นยานที่ถูกกลั่ถูกเกณฑ์ด้วยแล้วเนี่ยมีแต่ยานปลอมทั้งนั้นยานที่ถูกกลั่ถูกเกณฑ์เป็นยานปลอมทั้งนั้นท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะ บางคนทําไปแล้วก็มีคำว่ายานมาเทียบเคียงไปด้วยโอ้ยานที่หนึ่งเป็นนายย้านน้ำยานที่สองเถึงนี่ยังเราถึงรื่ยังเราถึงยังเรายังไม่ถึงเราก็พยายามกักเกมให้มันเป็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลนะเรื่องยานเรื่องฌานเนี่ยเรื่องยานเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลผลใดๆก็ตามที่เราไปหมายเอาไว้แล้วเราเราทําไปทําไปเรื่อยหมายไปเรื่อยทำไปเรื่อหมายไปเรื่อยเนี่ยมันอาจจะมีผลหล่อ มันหลอกเราอยู่เรื่อยไม่ใช่ผลที่แท้จริงถ้าเป็นสัจธรรมก็เป็นสัจธรรมที่หลวมๆเป็นสัจธรรมที่หลอกๆไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาบังคับภาวนาจะไม่มีผลปรากฏมีคนชอบพูดอยู่อย่างนี้จริงอยู่ผลใดๆก็ตามก็เหมือนยานแต่ะละขั้นแต่ะละขั้นแต่ะ ล, ะะละขั้นที่จะคุณเกิดขึ้น เราไปตั้งจะให้มันเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนอย่างที่พูดผ่านไปแล้วนั่นแหละถ้าเราตั้งจะให้เกิดขึ้นมันจะเกิดยานปลอมท่านหลายระวังให้ดีก็แล้วกันเกิดยานปลอมขึ้นมาไม่ใช่ยานแท้หรอกของที่เกิดขึ้นจากการที่เรากะเราเกณฑ์ไม่ใช่ของแท้เป็นของกลอมทางนั้นผลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ต้องเป็นเองใครเคยทาเป็นเองคนนั้นจะรู้มันเป็นเอง แต่ว่าการที่เราตั้งอกตั้งใจทํานั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจทําเหตุอย่างยิ่งยวดท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าเหตุกับผลจะต้องมาแยกกันนะเราไ ป, ไปหมายไปผลไปหมายไปผลแต่เราลืมเหตุนผลเกิดไม่ได้เราหมายตอนก่อนที่เรากําลังจะลงมือภาวนาเราได้เราจะคิดอะไรเ ร, เราคิดไปได้เลยแต่เวลาเราภาวนาไปปั้นเราจะทิ้งหมด เราอยู่กับเหตุอย่างเดียวเอาให้ได้อย่างเดียวเลยนะอันนี้มันมันเป็นทั้งสมถะและพิปัสนาสมถะก็เหมือนกันไปหมายแต่ผลน้อยแต่ผล ไ, ได้ประถมญาณแล้ยังได้ฌานญาณที่สองยังได้ฌานที่สามยาังว่าจะไปหมายสิ่งเหล่านะั้นเลยลืมงานซะคําว่าลืมงานก็คือลืมเหตุพอพอเมื่อเราลืมเหตุก็คือเราเราเราลืมเราลืมงาน เราลืมงานเราเราลืมสะสมผลของงานเพราะฉะนั้นผลที่จะคันปรากฏให้สมใจหวังมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งสถมถะก็ตามทั้งวิปัสสนาก็ตามสิ่งที่เป็นด้านเหตุสิ่งที่เป็นด้านมรรคขอท่านทั้งหลายตั้งใจกระนเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยไม่ต้องไป็นกลัวตายบหลคนก็ว่าอีกแล้วกโอ้ยเคร่งเกินไปเคร่งเกินไปเคร่งเกินไปไม่เกิดเคร่ง เค่งเกินไปภาวนาไม่เกิดเค่งเกินไปไม่ได้อัดไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ถึงอัดถึงทำพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้แล้วเคร่งคืออะไรอัตกิรามัทานโยมันเคร่งอยู่แต่มันไม่ถูกาทางทํำจนตายชักงะแงะแงมันก็ไม่ถึงทำเพราะมันทําไม่ถูกทีนี้ไปทำหย่อนยานการการมสุ ข, ขลิการนโยทําอยู่สะดวกสบายยังไงทํำยังไง มันก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ใช่ทางมันผิดทางแต่ถ้าเป็นทางอริยมรรคมีองค์แปมัชชีมาปฏิปทาในเมื่อท่านบอกว่าทางสายนี้หย่อนเกินไปทางสายนี้ตึงเกินไปท่านก็เปิดเส้นทางใหม่ให้กับเรามัชชิมาปฏิปทาในเมื่อมีเส้นซ้ายเส้นขวาก็ต้องมีทางเส้นกลางที่ระหว่างมัชชีมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทาของพระองค์ก็คือต้องเกี่ยวข้องกับศีลเกี่ยวข้องกับสมาธิและเกี่ยวข้องกับปัญญา ท่านอย่าไปตัดสมาธิออกนะไปตัดสมาธิออกแล้วท่านจะไม่ครบนะไม่ครบศีลไม่ครบสมาธิไม่ครบปัญญาอ่านี่เราพูดมาอะไรเราพูดปริยัตแง่ปฏิบัตนะที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นปริยัตโยเข้าวหูเราเนี่ยเป็นปริยัตแง่ปฏิบัติเราได้แนวทางปฏิบัติเพราะแนวทางปฏิบัติหล่นี้มันเป็นแนวทางที่เราได้ยินได้ฟังเราได้ฝุกฝนอบรม เราได้ประสบการณ์เราได้ผ่านแล้วก็เลยเอาแนวทางเหลนี้มาพูดมาคุยสู่กันฟั ง, งเพื่อมันสะดวกมันง่ายมันสะดวกมั น, มนง่ายมันสบายสําหรับคนมีจิตวิญญาณสายใกล้เคียงกันแล้วก็เอาไปถือไปเป็นแต่ว่าอุบายวิธีที่จะพเกิดขึ้นในหัวใจของเราขอให้เราตั้งอกตั้งใจทําอย่างแท้จริงมันจะเกิดมันจะเกิดอุบายมันจะเกิดวิธีเราสมงบด้วยวิธีใดเราได้ความรอบรู้ ได้ได้ได้ปัญญาจะเป็นปัญญาขั้นไหนปัญญาใกล้ใกล้ญาณใกล้ใก ล, ใกล้อะไรก็แล้วแต่เรามักจะได้ด้วยอุบายวิธีของเราเองแต่เราก็เอาใบวิธีที่เราได้ยินได้ฟังอย่างท่านอะละมาทํามาจักมาทําผลปรากฏได้เช่นเดียวกันผลปรากฏได้ถ้าเป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของปัญญามันก็เป็นปัญญาที่เราเห็นคล้ายๆกับท่าน คล้ายๆกับแนวอุบายวิธีที่ที่ท่านบอกเราที่ eline, ท่านสอนเรามันไม่มันไม่ใกล้มันก็ไม่ไกลเกินเกินเกินนักมันเป็นไปตามจิตเป็น il, เป็นไปตามนิสัยของเราแต่ถ้าเรื่องของความสงบแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจมัดอยู่เราก็จะได้รับผลเดียวกันคือสงบอ่าสอบขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามก็ここจะมีภาวะเหมือนกันหมดภาวะเหล่านี้มันเป็นภาวะธรรมชาติเป็นภาวะของธรรมชาติ ไม่สําคัญว่าเป็นของจีบของจีนของไทยของเราของอะไรไม่สําคัญทั้งนั้นไม่ไม่สำคัญว่าเชื่อชาติใดภาษาใดอะไรใดอันนี้แหละท่นเรียกว่าท่นเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมใครสามารถเข้าถึงใครสามารถทําถึงกนนั้นจะได้รับรสชาติเหมือนกันเหมือนอย่างความสงบเพราะจิตมันสงบจิตมันอยู่คนลาวก็ว่าอยู่คนฝรั่งก็ว่าอยู่คนชาติไหนชาติไหน ก็จิตอยู่จิตสงกเหมือนกันหมดแต่ภาษาหละนะ่านั้นมันเป็นภาษาสมมตุติแต่ไอเรื่องที่จิตมันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของสัจธรรมอยู่ข้างในท่านจะทราบผลปรากฏในหัวใจของเราเ็เช่นเดียวกันแม้แต่ความรู้ละเอียดลึกเข้าไปถึงระดับขั้นของปัญญาก็เช่นเดียวกันเราทําตามอิบาย์ตามวิธีที่ท่านบอกที่ท่านสอนนั่นแหละแต่เวลาไปเกิดก็เกิดใกล้เคียงท่านนั่นแหละใกล้เคียงใกล้เคียงจากที่ท่านแนะท่านบอกท่านสอนเรานี่แหละ เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงสถมถะแล้วก็พูดถึงเกี่ยวข้องไปถึงวิปัสสนาเกี่ยวข้องไปถึงวิปัสสนาเราตั้งใจทําเหตุให้ยิ่ง ย, ยวดผลใดๆก็ตามถ้าเราหมายจะให้เป็นถ้าเราตั้งใจจะให้เป็นเป็นผลปลอมเป็นผลเทียมระวังให้ดีบางทีไม่ใช่ผลแท้ผลลายดอกแต่มันเป็นเรื่องแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นเหตุให้เอกใจเราได้เหมือนกัน อเ uh, สร็จแล้วก็บางคนก็ชอบพูดชอบคุยชอบอะไรอ่า uh, มันก็ต้องระวังให้ดีต้องระวังดีผลเหล่านี้ต้องเป็นผลที่เกิดเองเกิดเองคนเป็นในรู้เองคนเป็นในรู้เองก็เราจะเทียบก็บเหมือนกับว่าอะไร <S 2> <S 2> เหมือนกับว่าหนึ่งเทียบได้กับไฟสองเทียบได้กับน้ํามันน้ํามันอะไร น, น, น, น้ํามันมะพร้าวเนี่ยเราไปเกียวน้ํามันน่ะน้ํามันที่ได้ก็เป็นกะทิ ต้มใยร้อนไปร้อนไปยร้อ น, อนจากกะทินี่ยมันขึ้นมาเป็นน้ํามันเป็นน้ํามันแล้วมันรอที่ผิวพอมาลอยที่ผิ ว, ผมมผ ว, วกลายเป็นอีกภาวะหนึ่งภาวะอันนี้จะเอาไปรวมกับของเดิมมันก็ไม่เข้ากันแล้วแหละมันไม่เข้ากันแล้วอันนี้คือผลผลที่มันสืบเนื่องมาจากอันนั้นหรือแม้ ก, กับไฟเงี้ยเราต้องการไฟเราต้องการเปลวไฟเนี่ยแต่เราเอาไม้มาสีกันให้เกิดไฟ เรามาสีกันให้เกิดไฟเอาไม้กับไม้แหละมาสีกันให้เกิดให้เกิดไฟก็สีไปสีไปสีไปสีไปนยผลที่มันเกิดขึ้นเองคืออะไรคือไฟไฟกับไม้มันคนละอย่างคนละเรื่องซึ่งเราดูเราดูแลมันแตกกันแต่มันก็อาศัยไม้แหละมาเสียดสีกันแล้วเกิดเจ้าเราสีไปเราสีไปมันเกิดขเข่าดำดำเกิดฐานดำดำเกิดฐานดแดงแดงเราเอาปากเปล่าไปก็ได้เปลวไฟได้ไฟใช้อย่างนี้ เปลวไฟนะั่นแหละที่เราต้องการเป็นผลที่จะเกิดจะพึงเกิดขึ้นอยา่างเรี่ยวแรงที่เราทำเห็นไหมมันแตกต่างจากเหตุแต่ถ้าเราไปคาดไปเดาเราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังเราก็สามารถคาดได้เขาดได้โอเปลวไฟเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้แต่ก่อนที่มันจะเกิดมันก็ต้องอาศัยอาศัยเหตุเราจะต้องตั้งใจเหตุอย่างแท้จริงจะพึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้มีท่านพูดถึงอะไรท่านพูดถึงธรรมะข้างใน ธรรมะข้างในถ้าเราเริ่มเจริญจิตให้ได้รับความสงบจากจิตได้รับความสงบแมาเริ่มพิจารณาธรรมะภายในหัวใจของเราถึงจะค่อยเจริญงอกเ่ยงอกงามขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านสมบุปสมมาไว้จึงไม่ผิดบุรุษมีกายยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำบริตต้องการไฟเอาไปถูเหนื่อยเปล่าทพราะว่เหนื่อยเปล่า เหน็บเหนื่อยเปล่าเพราะอะไรละ่ะเพราะไม้เมียงสดอยู่มันชุ่มเลยยางจะไม่ถูให้เกิดไฟไฟย่อมเกิดได้ยากฉังใดแต่เราไม่ปฏิเสธผลนะเราไม่ปฏิเสธวิบากกรรมเพราะวิบากกรรมเราจะทําแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันจะสะสมเป็นผลเป็นวิบากเป็นกรรมของมันเองก็นะเหมือนอย่างไม้สดนี่แหละชุ่มเลยยางนะะ่ะเรารู้อยู่มันไฟมันจะไม่ติดแต่เราไปถูลองถูกกันนานๆเข้ามันจะเริ่มถลอกเปรามันจะเริ่มเหือดเริ่มแห้ง จากที่สดๆน้ําเยอะมันก็จะเริ่มเหือดเริ่มแห้งไปนะั่นมีผลไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่จิบไฟก็ตามแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ า, าเน็ตเหนื่อยเปล่าคือธรรมะถึงขั้นที่จะเข้าไปรู้หลักของสัจธรรมอย่างละเอียดถูกต้องดิบดนะีนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากไม้สดชุมด้วยยางไฟที่เป็นเปลวที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ความร้อนความเหือดแห้งไฟซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราขัดเราสีนะ เราปฏิเสธไม่ได้ปรนไม่กายยังไม่ออกจากกายมีติดยังไม่ออกจากกายท่านพูดอย่างเงี้ยท่านพูดอย่างนี้นนชี้ชัดมาที่เราเราพูดที่ตั้งใจจะจะบำเพ็ญธรรมจะปฏิบัติธรรมหวังจะให้ผลของธรรมะเบื้องสูงละเอียดลึกขึ้นไปเพื่อที่เห็นหลักเพื่อเพื่อที่ให้เกิดปฏิเวทธรรมในหัวใจของเราเอ่าก็คือสิ่งก็คื อ, ก, คอก็คือสิ่งเหล่านั้นเน่ยเราตั้งใจทําเพื่อที่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดอ่า แต่ถ้าเรามาดูอันนี้เป็นอุปมามจิตของเรายังไม่ออกจากรรมใจของเรายังไม่ออกจากรรมกายของเรายังไม่ออกจากรรมกายยังไม่ออกจากรรมก็เหมือนอย่างพวกเราอยู่บ้านอยู่ช่องรุกครีกับครอบครัวผัวเมียลูกเตาเนี่ยแหละที่จะบักกายยังไม่ออกจากรรมจิตยังไม่ออกจากรรมก็คือจิตนึกถจะเรื่องการมเรื่องบุญเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องอะไรสารพันคือจิตอยู่จะเรื่องการมเพราะฉะนั้น เราพูดมาถึงตรงนี้สมถะมีความจําเป็นไหมความสงบมีความจําเป็นไหมหมายความว่าไม้ที่เราจะเสียเกิดไฟนั้นเราเอาไปตากให้แห้งซะก่อนอเรามาทําบำเภาญนาิสิตได้รับความสงบเมืม่อว่าเราเอาไมาส้สดๆเอาไปตากให้แห้งซะก่อนบำเพ็ญน้สิตได้รับความสงบบษที่1บึ่งบที่สองถึงแม้ว่าจะเอากายออกจากกามแล้วก็ตามแต่จิตยังไม่ออกจากกามอันนี้ก็เหนื่อยเปล่าอีก เน็บเหนือยเปล่ามีคารออกจากกาเหมือนอย่างก็อยู่วัดอยู่วานะอยู่ไปอยู่วัดอยู่วาไปเป็นแม่ขาวแม่ชีแม่ดำเป็นพี่เจ้าพระสงฆ์เป็นสมณะ น, นย่เงี้แหละเราไปอยู่วัดอยู่วาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่อะไรเป็นที่บําเพ็ญและประกามแต่ว่าจิตมันยังไม่ออกจากกานิพนึกคิดแต่เรื่องการมันก็ไม้สดชุบด้วยยางถึงแม้ว่าจะไม่แช่อยู่ในน้ํามันก็เหมือนเดิมเลยสิ่งที่เกิดไฟก็เกิดได้ยากเราฟังอุ ป, ปมาอนี้เราก็เทียบมาที่ตัวเรา เราเหมือนปรุที่หนึ่งหรือเปล่าปรุที่หนึ่งี่ยสองอันหนึ่งกายยังไม่ออกจากกามด้วยจิตยังไม่ออกจากกามด้วยปรุที่สองเอากายออกจากกามและจิตยังไม่ออกจากกามนี้พวกเราเป็นคารวาสเนี่ยพวกเราเป็นคารวาสเนี่ยเรายังไม่เอากายออกจากกามเราทําใจให้สงบเราสามารถเอาจิตออกจากกามได้เรามาคิดถึงข้อนี้พวกเราไม่เสียเปรียบไม่เสียเปรียบพระเนไม่เสียเปลี่ยบไม่ชีแม่ขาวไม่ด่างไม่ดำที่เขาไปอยู่วันแหละ เราอยู่มุมไหนของบ้านเราเราทำใจในรับความสงบเรารู้ไม่ได้ไว่าเจริญนิสัยบุญยาบุญวาสนาบารมีของเราอยู่ลึกตื้นขนาดไหนเราก็ไม่ทราบขอเราตั้งอกตั้งใจักมีได้เต็นได้เป็นคำว่าตเรานี่แหละบังเพลิได้พระโสดาบันได้พร ะ, พระส ก, ราาระาากิตาค่าาไไไไไไะได้เป็นพระอนาคามิก็รู้อย่างวิสาขาเศษฐีใช่ไหไปฟังเทศทุกวันฟังไปฟังไปฟังไปจนได้เป็นพระอนาคามีตอนข้ามมาก็ปลับ กลาวันก็ไปฟังเทพพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็กลับวิสาขาเสรยทีมีวันหนึ่งไปฟังเทพบรรลุธรรมจากพื้ น, พ, นพื้นธรรมดาได้เป็นพระอนาคามีพอกลับบ้านไปเลยก็ไปบอกไปบอกภรรยาแหะภรรยาคือนางธรรมชินนาเนี่ยไปบอกเออเราเคยเกี่ยวข้องกันเราไม่ยุ่งกันแล้วนะแล้วนะอันนั้นเธอเข้ า, าไปซะอันนี้เธอ เ, าเอาไปซะ แล้วเราเคยเกี่ยวข้องเคยมีเรื่องอะไรยุ่งเหยิงกันเกี่ยวข้องกันอะไรเราเลิกยุ่งกันเกี่ยวข้องกันเลยนะเมียฟังก็รู้สึกแปลกเอสามีเราทํำไมพูดอย่งนฟังไปฟังมาว่าท่านข้ามคนอนุสัยตรงนี้ได้ข้ามคนกาโมดาค่าได้ก็เลยบอกอันนั้นก็ให้เขาบ้านช่องก็ให้อนุั้ก็ให้อันนี้นก็ให้คนนันนนนนงฟังรู้ว่าสามีได้คุณธรรมขั้นพระอนาคาังนะ่งโอ้ยเรื่องอะไรเราจะเอาเราไม่เอาแล้ะ เราไม่เอาเราก็ขอบวชบ้างก็เลยขอบวชสามีก็เลยให้ไปบวชก่อนไปบำเพ็ญไม่นานถึงขั้นเป็นพระอาหารหันเนี่ยเนี่ยจำ บ, บัดเจ้าผู้ชายแล้วผู้หญิงมีความสามารถเกินผู้ชายหไหมเข้าไปทีหลังเขาไปบำเพ็ญไม่นานได้เป็นพระอาหารหันใครลองไปอ่านดูในพระไตรปิฎกนะหลังจากนางธรรมชินนาได้ไปไปเป็นพระอาหารหันเป็นบวชเป็นภิกษุณีเสร็จแล้วพอเวลากลับ กลับบ้างมามาเยี่ยมวิสาขะเศษเรษฐีมาถามถามตอบโต้ปัญหาการอุ้งอู๋น่าฟังมากเลยเ ร, เ, เ, นะเราไปอ่านเราอ่านสีมณฑ์ดูนะเราไปอ่านตั้งนานแล้วเ ร, เ, ร เ, รเราจําได้เขาตอบโต้กันเราลืมหมดลแล้วแหละวิสาขาเศรษฐีตอบโต้กับนงังธรรมธินานี่คืออะไรเราพูดถึงในแง่ที่ว่าเราอยู่ครองเรือนนี่แหละแต่เราหาหมุมสมบงสบพยายามสัมราบหิบของเราให้ออกจากการรม ไม่จิตเราออกจากการให้เป็จิตเราเข้าถึงความสงบเราอยู่ในบ้านเรานี่ยแหละลองภาวนาะให้จิตได้รับความสงบดูขั้นชาญที่หนึ่งขั้นชาญที่สองเนี่ยแค่นี้ก็เอามาพิจารณาธรรมะให้เจริญ ง, งอกเงยหน่วยใจได้ถ้าจิตยังไม่สงบเลยนี่มันไม่ได้ดหรอกวอกแวกไ ป, ไ ป, ไปมาโอยเบื่อหน่ายหงุดหงิดลำคาญยิ่งสมัยทุกวันนั้นมันมีสิ่งสนองที่จะทําให้จิตของเราเล็นลอดออกไปหลายช่องหลายทาง ยุคทีวีวิดีโออินเทอร์เน็ตสารพัดโอ้ยทีวีรายการนู้นรายการนี้รายการสารพัดเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆช่องเนี่ยเลือกสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยปกติใจของคนเรามันชอบทําอะไรตามใจชอบอยู่แล้วเนี่ยมันก็ลําบากกันนะมันก็ลำบากเหนะมือนกักนมีเครีดจิตยังไม่ออกจากกามจิตสงบสนับจากกามไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไปอยู่ป่าอยู่เขาก็ตาม ถ้ายัางไม่สมบสูรสัณฑถึงขนาดนั้นก็ต า, ามธรรมะยิตเจริญเพื่อธรรมะที่สูงละเอยียดขึ้นไปมากแล้วไงเจริญได้ยากสามารถธรรัะเหนื่อยเปล่าเน็ตเหนื่อยเปล่าคำว่าเน็ตเหนื่อยเปล่านี้ไม่ตเสศจไม่ปฏิเสธวิบากกรรมนะวิบากกรรมก็มีเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราจะเทียบว่าเราต้องการจะให้ธรรมะในหัวใจของเร า, จ เ, จร า, ารเจริญงอกงามต้องการเจริญงอกงามต้องการหยัดสีไม้เกิดไฟ เราก็เอาไม้ไปตากแดดมันเบื่อมันแห้งให้เป็นไม้แห้งซะก่อนเมื่อว่าเรามาศึกษามาได้ยินมาได้ฟังมารู้ข้อปฏิบัติพอเจริญสิมเป็นอย่างนี้พอเจริญสมาธิเป็นอย่างนี้พอหัดเจริญปัญญาเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ทำให้จิตของเราเนี่ยเข้าใจรู้ทั้งถึงธรรมะตามสมควรบางนั้นแต่หมายความว่ า, วาแล้วก็ทําจิตให้ได้รับความสงบสงบจากกลามอยู่บ้างมือนก็เราเอาไม้ส ด, สดๆล้วไป ไปตากแดดมันแห้งเสร็จแล้วเราก็เลยเริ่มมาทำรู้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องหลักอริยมรรคเมลเป่าบ้างสติปัฏฐานา ส, ส, สีบ้างอริยสัจสีบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นหลักธรรมหนะ่งก็เป็นเหตุเป็นแนวทางเป็นทาง ด, ดําเนินที่เราจะเอามาถือมาเป็นข้อปฏิบัติได้เสร็จแล้วก็เริ่มปฏิบัติปฏิบัติถูกต้องตามหลักของหินอยู่ของสมาธิอยู่ของปัญญาอยู่ แต่ด้วยเหตุที่เราทําไม่ต่อเนื่องทําำทำแล้วก็หยุดทำทำทำแล้วก็หยุดท่านทั้งหลายไม้แห้งนั่นแหละแต่ถ้าาท่านทําไม่ต่อเนื่องไม้แห้งก็ไม่สามารถจะจิตเป็นไฟขึ้นมาได้บุคคลที่สามก็เช่นเดียวกันแม้แต่จิตของเราสงบสงัดแล้วก็ตามเราภาวนาเราบําเพ็ญเจริญไม่ต่อเนื่องถ้าหากเราทําเราบําเพ็ญถึงคราวเจริญจิตในระดับความสงบเราก็ทําให้สงบเข้าไป พอจิตสงบมีกําลังก็มาพิจารณาไปพิจารณาไปเน็บเหนื่อย เ, เข้าสู่ความสงบไปมีสงบเข้าไปแล้วทําให้จิตมีกําลังก็พิจารณาหน้านปัญญาไปเรา เ, ราเราเดินอยู่อย่างนี้เราเดินอยู่นี้เหมือนกัว่าเรามีเท้ า, าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเราเดินไปหมายความว่าเราใช้กําลังเดินการพิจารณานั้นถือว่าเป็นการใช้กําลังการเข้าสู่สมาธิหมายความว่าเราพักเพื่อให้ได้กําลัง พอเราได้กำลังแล้วเราเดินไปเพื่อเพื่อให้ได้กําลังนั้นแหละใช้เข้าไปเราไปอยู่อย่างนี้เราจะไม่สับสนอ้าวเราเดินสมาธินะตอนข้ามหัวข้ามเราเดินสมาธิไปสักชั่วโมงนึงถ้าเพื่เรายังไม่หยุดเราต้องการภาวนาต่อเราเอาหลักวิปัสสนามาพิจารณาเนื่องจากจิตของเราได้รับความสงบมันก็จะเริ่มเห็นเหตุเห็นปันจจัยอย่างแจ่มแจ้งเพราะจิตของเรา แม้แต่จิตปกติของจิตที่สงบพื้นๆธรรมดานี้มันก็จะแปลกประาดอัศจรรย์อยู่นะแปลกประาดอัศจรรย์จนจนถึงขั้นที่ว่ารู้เห็นแปลกแปลกได้เห็นได้ยินแปลกแปลได้เข้าใจารู้เรื่องเหตุการณ์เฉพาะหน้าแปลกแปลกเนี่ยที่จะเรียกว่ามีมีอนุภาพจิตมีอนุภาพที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คืออารมณ์ของสิเลสมันไม่ไปก่อวนจิตมันไปยุไม่ไปยุแยจิต ให้กินตรนั้นดูดื่มอยู่กับความสุขตลอดทุกระยะทุกเวลาเพราะฉะนั้นท่านอยู่ได้ฤาษีชีพไรเรามดูพระเยพระสงฆ์เราท่านไปอยู่ฝ่าอยู่เราท่าจะมีอะไรมีบาตรใบเดียวผ้าไตรผ้าครองอยู่ตามถาม้ำตามเงือมตามไรแล้วก็อย่างมากก็แค่มนืันตรดเนื้อเนื้อรดกันยุงมีน้ำบริโภคแล้วก็ไปเดินสบายกระทุ้งย่าลำบากกันดานเดินไปกว่าจะได้กลับมา แต่ท่านก็พอใจอยู่อย่างนั้นพอใจอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะภายในจิตของท่านะสงบสงัดจิตสงบสงัดกลออกจากการรมจิตออกจากการรมมันมีผลทำให้เราได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรามาเจริญมากาเหมือนกับเราเอาไม้แห้งไปสีเกิดไฟอะไรอย่าไรเรารู้อยู่ไม้แห้งมันเป็นโอกาสให้เกิดไฟได้แล้วก็สีไปสีไปสีไปแล้วก็หยุดสีไปสีไปแล้วก็หยุด ไฟธรรมชาติแบบนี้มันเป็นไฟที่จะพึงเกิดขึ้นด้วยการเสียดสีเพราะเราหยุดมันก็เย็นแล้วถือไปถไปร้องร้องใกล้จะเขม่าดำดำแดงๆแล้วเพราะเราหยุดยุ่ก็เย็นแล้วเพราะยุดก็เย็นแล้วนี่คือบุษที่สนะส่วนมากเราจะเป็นบุษที่สากันทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเราทําไม่ต่อเนื่องทําหยุดทำหยุดทำหยุดทำหยุดนั่นแหะคนที่เราจะผึงหมายยาหนึ่งยานี้เหมือนยาที่เราไปศึกษาเราไปเห็นอู้ดมันเหลือเหลือเหลือบาดกว่าแรงเหลือเกไม่ได้สักที ไม่ได้เฉกทีเราได้สมาธิดีดแล้วเราก็ต้องมาเจริญมากอย่างต่อเนื่อง hmm. ไม่หยุดไม่หย่อน uh. อ่าแล้วทำงานทำการร่ไม้ล่มือเราจะทำยังไงอันนก็ต้องคิดอันนี้ก็ต้องทำไม่หว่นไม่ไหวงานแต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่าง uh. เป็นลูกพี่แล้วก็ตามเป็นลูกน้องแล้วก็ตามมีลูกน้องช่วยมากมายใช้ขวาแล้วก็ตามลูกพี่ยังหัวหมุนอยู่นั่นแหละอ่าถึงคราวที่เราใช้งาน hmm. เราก็ใช้ไป พอหยุดงานย้อนปั๊บมาที่จิตจะไปเขีดไปเขียนไปอ่านไปพูดไปคุยไปอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานไปทําอะไรก็ตามให้อยู่กับเรื่องเดียวไปอยู่กับพูดพูดพยายามพูดเกี่ยวกับเรื่องเดียวพอหยุดพูดก็ย้อนปั๊บมาที่จิตของตัวเองไปเขียนเขียนเขียนไปอยู่กับเรื่องเขียนอย่างเดียวเขียนเสร็จย้อนปั๊บมาที่จิตของตัวเองไปหยิบไปยกไปไปซักไปตากไปเก็บผ้าไปอะไรกับ ไปล้างไปชะอะไรตำในครัวรงครัวเนี่ยถึงเราทำก็อยู่กับเรื่องเดียวย้อนปุ๊บเข้ามาที่จิตเราทำแบบนี้เราไม่เสียเวลาภาวนาเราสามารถภาวนาได้ทุกระยะทุกเวลาคือพยายามย้อนจิตเข้ามาที่จิตของตัวเองย้อนจากงานมาหยุดมาโยกจิตเองมันก็มานจอดอยู่เฉยๆมันก็ยังดีกว่าเราส่งไปนู่นไปนี้หรือเราไม่ปล่อยก็จ อ, อ่เฉยๆเดี๋ยวมันจะเผลอตัว จับใส่เข้าไปเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเดิ น, น, นเนาะเดินเ น, นาะเดินเนาะให้ยายเข้าหนอะให้ยายออกเนอะเราก็มากำหนดอยู่กับการนี้อยู่กับจิตนี้ถือว่าคนที่มีภาระมากมีการมีงานมากก็สามารถทำได้ทำได้อย่างต่อเนื่องขณะนี้ทำได้ขณะนี้ก็ถือว่าทำได้อย่างต่อเนื่องพอสมควรแต่ถ้าหากถึงขั้นที่ว่ามันหมุนจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาเป็นเอาตายนะ เอาเป็นเอาไปเอาจนได้ไฟใช้มันแหละถูไปถูไปถูไปถูเรียลแรงไม่หยุดถูไปไม่หยุดถูไปไม่หยุดความน่าร้อนความร้อนของไม้ที่เราเสียดสีไมายความว่าตะปะคือความเพียรภายในใจของเราที่เราทํามันเสียบสีเข้าไปเรื่อยความน่าร้อนก็เกิดขึ้นมีเรื่อยมีเรื่อยมีเรื่อยถ้าเราจะเทียบกับเหมือนไฟเหมือนกับว่าขมเหลเกิดขึ้นแล้วทานดําๆเกิดขึ้นแล้วทานแดงแดงเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะออกเป็นเปลวขึ้นมานะอาปากเป่าก ใน ไ, ไฟใน ไ, ไฟใช้แต่ตอนเราเห็นทานแดงแดงแล้วถ้าพอเราหยุดจะเป็นไงมันก็เย็นเข้าไปอีกแล้วหรืครูาบาอาจารย์ท่านจีงว่าคว้าหลุดคว้าหลุดควาหคือคว้าตรงนี้แหละอ่าพอกลวงจะหลุดคลวงจะหลุดคลวมจะหลุ ด, ลดเคยเข็ดเค ย, เคยลามันหลุดพอใกล้จะติดใกล้จะติดใกล้จะได้ไฟเอา้าตรงนี้แหละธนวัาเดนตายทุกองธนวัฒน์เดนตายเย็นตายตรงนี้แหละเพราะอตอนผลที่มันกําลังจะเกิดขึ้น รู้ว่าผลกำลังจะเกิดขึ้นแล้วไม่ยอมปล่อยตายเอาตายเป็นเอาเป็นเอาสู้ใส่ตรงนี้เลยนี่เราพูดธรรมะในแง่ของข้ออุป ม, มาให้เรารู้เกณฑ์ว่าทําไงเราจะทําได้แค่ความสงบรเราทําได้ไหมแค่สมาธิการพิจารณาแล้วก็ทำไงทาไงคุณะรรมภายในใจของเราถึงจะมีความเจริญง้องเงยข้อ ง, ง, งามในทายหน้าน้าง้องเ ง, ง, อ ง, เ ง, งยในหัวใจของเรา หรือเราจะทรงไว้แค่ปริยัตเหล่านั้นนะฮานักธรรมตรีนักธร ร, โ ร, โ ร, โรมโ ท, มนน ท, 3, ทเขไปเรียนมาแล้วมาไปสอบมาแล้วอภิธรรมตรีโทเอกเขไปเรียนมาแล้วจบมาแล้วอันนั้นก็ไปเรียนมาแล้วอันนั้นเรเรียนมาแล้วจบมาแล้วทําให้ไปหน้ามาหลังเราก็มาพิจารณาดูว่าเราเป็นประเภท1หรือเปล่าประเภท2ปเปล่าประเภทแรกกายยังไม่ออกจากการมประเภท2จิตยังไม่ออกจากการมด้วยประเภท3ามทำหยุดทำหยุดทำหยุดทำหยุด พระเภทสี่ทำไม่หยุดทําจนได้ไฟใช้อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเกณฑ์ที่จะทให้เรามาตัดสินใจเรากดเกณ์อันนี้หรืออุบายวิธีอันนี้เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเองก่อนยุคพระธเจ้าจะตรัสรู้ไม่กี่วันอุบาย น, นี้เกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเอามาสอนพวกเราเสแล้วเรามองฟังดูแล้วมันเข้ากับพวกเราได้เป็นอย่างนี้ว่า ทำไมเราทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ทําไมเราทําเป็นทําไมเราทําไม่เปลี่นเพราะอะไรเราย้อนมาดูแล้วเราจะเป็นบุคคลประเภทที่1หรือเปล่า <whilst S 1> มีกายยังไม่ออกจากการ <fit> มีจิตยังไม่ออกจากการห <f ix> รือเป็นประเภทที่สองเปล่ามีกายยังไม่ออกจาการมีจิตยังไม่ออกจากการมีกายมีจิตยังออกจากการแต่ประเภทพิเศษนี้พวกเราไม่เสียเปรียบเรามีกายยังไม่ออกจากการแต่เราสามารถเอาจิตออกจากการมได้คือหาเงินสงบ แล้วก็ภาวนาให้จิตได้รับความสนุกเราอยู่บ้านเราบริโภคการตามบริโภคกามก็มนกับเราบริโภคอาหารนั่นแหละมันมีความอิมันมีความพอมีรู่มีนี่มันมีความอิความพอเมื่อมีความอิความพอเราสามารถพูดคุยนัดงนั่งเณกันอ้าววันนี้หามุมสงบนะเดี่ยวบ้านเดียวกันอ้าวคนนั้นหามุมสงบคนนั้นวันนี้หามุมสงบนี่นั่งภาวนาบางคนไทยเรามีห้องพระ ห้องสวดมวนเกือบทุกบ้านเราพยายามใช้เกิดประโยชน์บางคนทำใหญ่จริงๆููมากบางคนใช้ให้เกิดประโยชน์ไปทำแบบนี้แหละไปทำที่แนแนวในโอบายในวิถี่อันนี้เป็นเป็นปริยะแบบภาคปฏิบัติในเมื่อเราไปตั้งอกตั้งใจทำตามนั้นก็เป็นปริญญาเป็นปฏิบัติเสร็จแล้วก็ผลใดๆที่เกิดขึ้นแม้แต่สมาธินั่นต้งแต่ปฐมฌาน ชาตที่หนึ่งชาตที่สองชาตที่สามชาตที่สี่ก็ถือว่าเป็นปฏิเวทปฏิเวทนะผู้ถือวิปัสนาคณะต้องใจยานแล้ยานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ยานขึ้นไปเรื่อยๆอุบายวิธีหรือผลใดๆจะพุญเบิกเกิดขึ้นในหัวใจของเราเห็นท่าเห็นภัยในการเกิดในในการเก็บในการตายมัเห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยก็เป็นยานแต่ละอยา่างขอให้มันเป็นเอง เป็นเองแล้วมันจะชัดเจนขึ้นมาในใใหัวใจของเราเนี่ยประิยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอุบายวิธีที่เราพูดทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการแนะนำเป็นการส่องทางพระศัทธรรมของสมัยสมมาสมัยเจ้าที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องน้อมนําเมื่อเพื่อเป็นเครื่องพระพุทธเเพื่อเป็นเครื่องปฏิบัตินอกจากแนวตามหลักของสัทธรรมแล้วก็มี เกียวกับด้านศีลอย่าลืมว่าด้านศีล น, นี่เป็นด้านที่เป็นรั้วรอบขอบชิดเราจะทิ้งศีลไม่ได้นะยิ่งเรามีสมาธิแล้วปัญญากเกิดขึ้นได้ยากเราทิ้งศีลด้วยแล้วสมาธิยิ่งเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราเราทานเราก็ยังไม่ได้ให้อย่างยิ่งวยวดเลยศีลเราก็ไม่ค่อยจะสนใจรักษาเท่าไหร่ แต่เรามีโอกาสไปใกล้กชิดไปเกี่ยวข้องกับการภาวนาขอให้เราตั้งอกตั้งใจภาวนาเมื่อเราตั้งตั้งอกตั้งใจภาวนาแล้วกายกาอาของเราจะเริ่มสะอาดจิตของเราก็จะเริ่มสะอาดเมื่อกายเมื่อกายของท่านสะอาดแล้วจิตของท่านสะอาดแล้วเนี่ยเหมือนกับร่างกายเราสะอาดแล้ว เ, เราไม่อยากสวมใสด่ดอกในเสื้อผ้าสกปรกไม่มีใครอยากใสด่ดอกเราไปอาบน้ําชะสบู่ทาน้าหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ยเสยเเยเยื้อผ้าเกา่าๆมีใครอยากสวมใส่ดอก ต้ไปซักสักวันเชื่อนั้นมาใส่มาสาวันแล้วผ้านั้นใสมาสามสี่วันแล้วมันเห็นมีไม่มีใครอยากใส่ถุงพ้องถุงเท้ททานะ่ะใส่มาเท่านั้นวันทนีวันไม่มีใครอยากใส่หรอกเมื่อเรารักษาร่างกายของเราสะอาดแล้วไม่มีใครที่จะไปเอาของสกปรกมาสวมใส่ในเมื่อเราตั้งอกตั้งใจที่จะเอาคุณงาาความดีหนึ่งไว้ ใ, วใจของเราเพราะอยากได้ความสงบของจิตอยากได้ปัญญาของจิต พิจ า, ารณาทาลายความหลบทุนตัวเองเนี mm ่ย hmm. พอเราเจริญมาแล้วเราเจริญมาแล้วโอ้ทําไมคุณธรรมของเราถึงจะมีความเจริญ ง, ง้อเงยเจริญ้อเาโอ้เราต้องรักษาสินแนบมันดึงสินเข้ามาเองอ่ามันดึงทานเข้ามาเองมันดึงศินเข้ามาเองมันดึงข้อปฏิบัติเข้ามาเองแต่ถ้าหากใครมาทํามาโดยลําดับแล้วก็อย่าไปย้ําอยู่แต่กระที่เคยให้ทานให้แต่ทานอย่อยางเดียวไม่ตั้งไม่กล้าไปรักษาศินอดไม่ได้เสียสลาไม่ได้ ถือสีห้าถือสีห้าถือสีหก็เสียสลาไม่ได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสมเสียสลาไม่ได้นะบางคนถือสีแ่แปดกไม่กล้าถือกลัวอดข้าวไม่ได้เงี yeah. ้ยอดสี่แปดนี้ศี่แปดนี้ไม่เกี่ยวความไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอ้วของเลยสามีปรระยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้เราฟังดูมันละเอียดไหมมันละเอียดไหมอันนี้เป็นเรื่องของสีอย่าลืมว่าสีนี้เป็นกรอกนะสีนี่เป็นรั้วสองฝากทาง ลุงตาถนัิศีลนี่เป็นรั้วสองฝากทางเหมือนอย่างเราเดินไปข้างหน้ามีรั้วขนาบสองข้างทางเนี่ยเป้าหมายที่เราเดินไปข้างหน้าคือมรรคกิจพานเราเดินไปเรื่อยเราไม่แวกซ้ายแวกขวาเพราะมีรั้วคือศีกลกากับดูแลแต่ถ้าไม่มีรั้วเป็นไงอาจจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้หีือมาดหันหลังกลับหน้าถอยกลับหน้ามากลับหน้าหันหลังให้ก็ได้ยิ่งหัน ห, หันหลังให้ยิ่งไปได้ไกลสมะูรเราหันหันหันหน้าให้กับมรคนิพพานนั้นเนี่ยเรา ย, ยิ่งเดินไปเท่าไรยิ่งไกลไปเท่านั้นเหมือนกับเราปฏิเสธดวงประชีพหันหลังให้แล้วก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปถ้าเป็นขันคือเยวลาเร า, เรายิ่งเดินไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งมืดไปมืดเข้าไปมืดเข้าไปมืดเพราะอะไรมันยิ่งห่างประชีพเข้าไปเรื่อยมืดมิดจนมองไม่เห็นตัวเราเองไม่เจอตัวเราเองก็มองไม่เห็น ใครที่ปฏิเสธศีลสมาธิปัญญาข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาสมุนกับเราปฏิเสธมักฝันิพานเหมือนเราปฏิเสธดวงปฏิบดวงใหญ่นั่นเองเหมือนกัเราเดินทางออกจากดวงใหญ่เข้าไปเรื่อยไม่รู้จักตัวเองมืดมิดปิตวานมืดมิดปิตวันมองไม่เห็นอะไรใจทั้งดวงนั้นเป็นใจที่มีมิจฉาทิฏฐิหมดทั้งดวงเลยน่ากลัวไหม ท่านบอกว่าอันตรายที่สุดคนที่มีมิจฉาทิฏฐิบรรดาโทษทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกโทษที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในร้ายกากมูเพราะอะไรเพราะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีทําได้จากปืนทาได้จากอำนาจของความอยากความอยากนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันเป็นผลของความอยากทั้งนั้นแหละเรื่องของตัญหาเขาไม่มีที่จอยากให้เราเนี่ยออกจากอำนาจของเขา ตัณหาก็คืออะไรตัณหาคือความอยากความอยากก็คืออํานาจของกิเลส ท, ที่มีอยู่ในหัวใจของเราจิตของเราได้รับความสงบด้วยเหตุที่เราตั้งใจภาวนาพุโทโธพุธโทโธหมายความว่าเราไปหยุดตัณหาไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามาทางรูปเสียงกลิก่นรสกัจจภพธรรมอารมณ์ถึ ง, มงแม้ตัณหาแทรกไม่นี่ตัณหาก็หยุดตัณหาก็ชะลอตัณหาก็หยุดเราเคยได้ยินคนโบราณเขาพูดว่า ถ้าเราเจริญสมาธิอย่างเดียวเหมือนเอาศิลาไปทับหญ้าศิลาไปทับหญ้าแต่แพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนแค่นั้นเนี่ยท่านสอนให้เราเจริญสมาธิและเจริญปัญญายินงอยู่ถ้าท่านไปหยุดอยู่แค่นั้นท่านไปจะได้แค่นั้นเนะท่ากับหินทับหญ้าหญ้าย่อมไม่เจริญง้อเงยเจริญขึ้นว่าหญ้าในชนี้หมายถึงตัณหาและตัณหามันไม่เจริญง้อเงยในหัวใจท่าใจของเราได้รับความสงบแต่ถ้าหากเราหยุดเจริญฌานหมดอํานาจของฌาน กิเลสตัณหาอาสมาหลานั้นมันก็เพ่ผ่านเพ่นผ่านเพ่นผ่านอยู่เหมือนเดิมเหมือนอย่างก้อนหินที่เคยพลิกออกไอ้ตรงที่กล่าที่หินเคยทักไปจนไม่มียากขึ้นอ่ะเลยมันมีรากมีเง้ามก็แทงขึ้นมาอีกตัณหาที่มันเคยนอนนิ่งไปช่วระยะหนึ่งที่เราไปบังคับมันเอาไว้เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกการเจริญสมาธินั้นท่านเท่ากับเป็นการไปหยุดไปหยุดชะลอของตัณหา การเจริปญรรปัญญาหมายความว่าการคลี่คลายเพื่อจะให้ไปเห็นตัวตันหาเพื่อจะได้ลากคอมันม า, มาเชื่อดมาเฉือนมาตักให้หมดไปในในหัวใจหัวใจของเรา <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าเราถือเป็นข้อปฏิบัติได้ว่าทานเราก็ตล่อมเข้ามาศีลเราก็ตล่อมเข้ามาถือศีลอย่างยิ่ง <Yeah. S 1> ถ้าเรา เป็นนักภาวนาอยู่แล้วนะเราจะรักฐานเราจะรักศีลเพราะเรารู้ว่าทานกับศีลนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาถ้าเราทิ้สิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็จะหมดหวังเราก็จะไม่มีหวังโดยเหตุที่เราเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาโดยลําดับต่อเนื่องเรามีหวังเรามีกําลังเราถือมาเป็นข้อมาเป็นข้อสรุปมาเป็นข้อปฏิบัติให้เราให้เรา จับหลักว่าเราทรําจิตเน็ตถ้าความสงบเมื่อสงบแล้วเราก็เข้ามาพิจารณาพิจารณาเน็ตมันใหญ่แล้วก็เข้าสู่ความสงบเราเข้าสู่ความสงบตามชั้นตามภูนที่เราควรจะได้อาจจะเป็นขั้นที่หนงที่สองที่สหรือสามารถเข้าลึกถึงขั้นที่4เหลือแต่จิตฟู่รู้สว่างโรยเราก็เข้าอยู่ดีนั้นได้การได้เวลาเขาจะขยับตัวออกมาพอขยับตัวออกมาเรายาขยับเข้าไปเข้าไปใหม่ ให้สงบเงียบเหมือนเดิมก็ขยับไปได้ก็ขยับไปถ้าเอามาพิจารณาเราก็เอามาพิจารณาเราก็ขยับอยู่แค่นี้แหละแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือพยายามทาให้ต่อเนื่องไม้แห้งอย่างที่ผู้ใด้ฟังนั่นแหละเป็นข้อกลุ่มาไม้แห้งกระตามถ้าเราทำหยุดทำหยุดทำหยุดสีหยุดสีหยุดสีหยุดโอกาสที่จะได้ไฟใช้มันก็ไม่ได้แต่ทํายังไงถึงจะถูกต้องทําหนักหน้าเข้าไปเรื่อยๆสีเข้าไปเรื่อยค่อยๆหนักหน้าเข้าไป เวลาใกล้จะจิตจริงๆก็ใครหยับ ก, ก็ไปจนินไฟลบขึ้นมาเลยนั่นในไฟใจพุ้ธิจันทร์เร่งความเพียรถึงขั้นถึงขีดเต็มที่เนี่ยคุณเอาความเป็นความตายฉลาดใส่เข้าไปหมายถึงช่วงนี้ระยะนี้เวลานี้อันนี้เป็นอุบายวิธีที่เราได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะไปเป็นกฎเป็นเกณฑ์พิจารณาว่าเราทําไมเราทําไปหน้ามาหลังทําไมเราไม่ไม่ไม่ได้หน้าได้หลังไม่ไปหน้ามาหลังแล้วก็มาพิจารนามาสอ่อมตรวจตรวจตา ไม่ใช่ว่าออท่านนี้ก็ไม่เป็นด้วยเหตุที่เราบกคร่องเกี่ยวกับเรื่องเหตุแล้ก็ไปเที่ยงหาอาจารย์นู่นบ้างอาจารย์นี่บ้างสำนักนู่นบ้างสำนักนี้บ้างไปที่นู่นไปหลายแห่งก็ดีมาได้ประสบก็เห็นแต่ถ้าหากเราไม่ไม่มาเที่ยวด้ว ย, วยตัวข้าวเราเองอย่างแท้จริงแล้วนี่โอกาสที่ผลอย่างแท้จริงจะปรากฏขึ้นอีก็ยากพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญอ่าเพราะยุคสมัยปัจจุบันน่ะเป็นยุคสมัยที่ยังมี ทั้งปริยัตมีมีทั้งปริยัตแล้วมีทั้งสํานักปฏิบัติเราสามารถไปปริยัตก็ได้เราสามารถไปปริยัตด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้กต่บางอย่างที่เราได้ยินได้ฟังนี้มันเป็นปริยัตแต่เป็นปริยัตแนวปฏิบัติแน่แนวปฏิบัติเพื่อให้เราได้เอาไปเป็นข้อมาเพื่ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างคือที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอน ไม่งั้นเราไปอ่านในหนังสือเราก็หลงไมรู้จะไปจับตรงไหนแล้วก็มือนอย่างในมหาเศรีปัญหานึ่นีนะ่ะถ้าเราไปดูถ้าเราไม่รู้จักจับข้อมาปฏิบัติแล้วไม่รู้จะจับมาปฏิบัติทางไหนพิจารณากายท่านก็พูดไว้มากมายเลยเนี่ยท่านพูดถึงอาณาปาณะบัพเพะเนี่ยเกี่ยวกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไปดูซิอ่าเกี่ยวกับอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนท่านพูดถึงเกี่ยวกับสัมชันธยากรรมรู้เนี่ยท่านพูดถึง ท่พูดถึงเกี่ยวกับความปฏิกูลโสโคร่นี่ท่านไปดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราสามารถเดินจับอย่างได้อย่างหนึ่งนทนิ้ทลูกไปหมดได้เลยนะไม่ต้องไปเจริญอันนี้แล้วก็ไปเจริญนั้นเจริญนั้นแล้วไปเจริญนั้นเจริญนั้นไปเจริญนั้ น, เ ร, น, นเราจับอะไรติดไม้ทิดมือถูกติดถูถถนิสัยเราจับตอ่อเนื่องไปผลคืออริยธรรมจะ เ, เกิดขึ้นตามนั้นนะอ่าเราเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สั้นทรงสแสดงเนี่ยจับ จับอย่างไดอย่างหนึ่งสมรูกไปได้หมดขอเราทําให้ถึงทําให้ถูกก็แล้วกันพูดเราพูดถึงกายจะให้เจริญเจริญด้วยสติในนั้นท่านั้นเอาสติเป็นหลักเอาสติมากํากับจิตเป็นหลักให้เราจําง่ายๆว่าสติก็คือคุณสมบัติของจิตจิตคือผู้รู้ระยะใดเวลาใดที่ความรู้เรามันโกรธอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละคือจิตที่มีสติกํากับชัดเจนที่สุด ถ้าพูดถึงสว่างก็คือสว่างเต็มรอ้อยถ้าพูดถึงว่ารู้ชัดก็รู้ชัดเต็มร้อยไม่ใช่รู้แค่90ไม่ใช่รู้แค่80ไม่ใช่ไม่ใช่จิตอยู่แค่เก้าอยู่แค่80อยู่แค่90้ิบจิตอยู่เต็มร้อยจิสมม allora, ตสงบก็คือจิตมีสติมีสัมผัจัญญาเต็มร้อยจิตที่มีสติมีสัมผัสจัญญาอยู่เต็มรอ้อ เป็นสมาธิที่จะเรียกว่าสัมมาสมาธิมันพร้อมที่จะทํางานได้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิวัดต่อไม่ใช่สมามิไม่ใช่สมาธิมืดมิดปิดตบาตื่นขึ้นมาเหมือนหลงเหมือนคนนอนตื่นไม่มีกําลังไม่มีอะไรเลยสมาธิของผู้เป็นสัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่มีกัญญาอยู่ในนั้นนะมีผู้รู้อยู่ในนั้นสติมาสัมมชานโนอาตาปปีรามาตุติ จะให้เจิญในหลักมาสติปัฏฐานมีสติกำกับตัวทั่วพร้อมสติตัวนี้แหละจะเป็นตัวนำของความรู้ที่เข้าไปรู้เข้าไปสอดแทรกรู้เห็นหลักของสัจธรรมทั่วๆไปมีเราพูดถึงกายในมาสติปัฏฐานเวทนาไนมะ่เช่นเดียวกันนะเวทนา เ, เวทนาก็คือกิริยาสุขทุกข์ของกายของจิตความยินดีความไม่ยินดีความยินดีความยินร้ายราคาโทสะอะไรต่ออะไรที่มันเพิงมาเกิดขึ้นภายในจิต เราเจริญกายมันก็กระเทือนถึงเวทนากระเทือนถึงจิตเราเจริญเวทนามันก็กระเทือนถึงกายกระเทือนถึงจิตเราจะพิจารณาจิตเราก็พิจารณาบนพื้นฐานของกายของเวทนาของจิตแล้วก็เราพิจารณากายเวทนาจิตมันก็อยู่บนพื้นฐานของธรรมะเพราะฉะนั้นเราเจริญบทใดบทใดบทใดมหาสติปัฏฐานท่านสี่ ทำงานไปพร้ อ, รอมๆกันเหมือนกับปั้นเราเนี่ยมีห้านิ้วพอเรากํามาตั๊บจนกระปั้นเป็นก้อนแท่งเดียวเวลาเราทํางานถ้าเราทําให้ถูกต้องตามหลักอริยมร์เนี่ยมร์ก็จะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะผููทำกันหนึ่งเดียวคือใจใจเป็นคนทําเป็นหนึ่งเดียวใจสงบก็คือใจอยู่เป็นหนึ่งเดียว ใจพิจารณาหมุนตามหลักอภิยมก็คือใจพิจารณาที่เรียกว่ามัสมันขีมัสมันขีพิอใจหมุนอยู่เป็นเนื้อเป็นก้อนเดียวเอาผู้รู้มากนกับให้รูเอาสติเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานฉันให้เอาสติมาตั้งมากำกับไว้สติสักจะว่ารู้รู้สติมันรู้ชัดเจีมไปตรงไหนเนี่ย มันจะไม่มีอัตตาตัวตนโผล่เข้ามาสัมผัสใจตัณหามันจะไม่โผล่ขึ้นมันจะไม่โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราปพระสัจสติปับ๊บตัณหาสวมรอยแทรกเข้ามา ท, าทันทีพระสัจสติปับ๊บตัณหาสวมรอยเข้ามาทันทีการทําทงานตามหลักมาสติจะพิจารณาลมก็ตามพิจารณาเวทนาก็ตามจะพิจารณาจิตก็ตามเราพิจารณาอยู่บนพืน้นฐานของสติของสัมผัสยัญญาของอาตตปัต คำอาตปาคือการพระคประคองที่เรียกว่าความเพียรนะเด็กประคองอะไรประคองสติประคองจิตให้มันอยู่กับใจใ ห, ให้มันอยู่กับผู้รู้ผู้รู้มีสติมีสัมผัจัญญะมีอาตปาพระคับประคองอยู่เขาก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวร่อยู่ตันหาแทรกเข้ามาไม่ได้เมื่อตันหาแทรกเข้ามาไม่ได้กิเลส ก, ก็หาไม่มีผลเพิ่มในหนัวใจของเรา ตัณหาไม่มีผลเพิ่มหัวใจเท่ากับว่าเราชะลอตัณหาให้อยู่ชะลอตัณหาให้อยู่อยู่ด้วยความสนุก อ, อยู่ด้วยความสนุกความสงบ ก, ก็คือความมีสติมีสัมผัจัญญาเต็มร้อยคนมีสติมีสัมผัจัญญะเต็มร้อยคือคนมีสมาธิถ้าเอาไปพิจารณาเกี่กเรื่องปัญญาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟมาก็จะเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน รู้ปัญหารู้ต้นตอของปัญหาที่เรียกว่าพิจารณาทุกขแล้วก็เห็นสมุทยัยพิจารณาทุกแลก้วไปย้อนไปดูสมุทยัยแล้วก็เห็นสมุทยัยเมื่อเห็นสมุทยัยอย่างตรงไปตรงมาแจ่มแจ้งชัดเกลีแล้วก็เอาออกสมุทัยคือตัณหานั่นแหละเอาตัวตัณหาออกตัณหานี่เราก็มาวิจารณ์ได้ว่าตัณหาคือเจ้าตัวความอยากเราดูความอยากมาที่หัวใจของเราหัวใจของเรามีความอยาก เ, เราเริ่มหัดดูว่า ความอยากในทางธรรมเราก็พยายามดูให้เข้าใจความอยากในทางกิเลสเราก็พยายามดูให้เข้าใจมันเป็นการหักหักดูความอยากคนเรามันไม่ใช่คนตายคนเป็นคนเป็นมันต้องมีความอยากความอยากนี่แหละมันเป็นต้นตอที่ทําให้เราทําตามเป็นต้นเหตุให้เราทําตามความอยากที่เป็นไปตามธรรมความอยากที่เป็นไปตามมรร อันนี้ให้เราถือประพฤติถือปฏิบัติความอยากที่เป็นไปตามอำ น, นาจของกิเลสเราพยายามละพยายามวดพยายามเพบนนี่เราศึกษารู้อย่างนี้เราจะรู้เท่าทันความเป็นไปของความอยากในใจของเราในระหว่างที่มีสมาธิอยู่ตั้หาเกิดไม่ได้ในระหว่างที่เรากำหนดพิจารณาจดจ่อตามหลักมหาสติปัฏฐานสีกิเลสเกิดขึ้นมาไม่ได้กิเลสเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะมีสติมีสัมมยัญญะ ก, กำกับอยู่ กำกับอยู่กําหนดรู้สักต่ว่ารู้ไม่ให้เช่นอย่างเวทนาเกิดขึ้นที่กายของเราประศักดิ์ว่าเวทนาให้เห็นสักแต่ว่าเวทนาอย่าให้มีตัณหาคำวมส่วนรอยอหรือหรือจิตของเรามีมีเวทนาจิตยินดีท่าถือว่าจิตมีเวทนาจิตยินร้ายท่าถือว่าเวทนายินดีก็สักต่ว่ายินดี ให้เรารับทราบเอาไว้ยินร้ายก็นะศึกษาว่ายินร้ายรับทราบเอาไว้ถ้าเราไม่รับทราบเอาไว้ขาดสติขาดสัพพิจัญญาตั้หาแทรกเข้ามาพอตั้หาแทรกเข้ามาว่าเรายินดีว่าเรายินร้าย <Yeah. S 1> การที่จะลงไม้ลงมือทำตามมันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปเนี yeah. ่ยถ้าหากตั้หามันมาลุทําทีไรเมื่อไหร่อัตตาตัวตนมันก็โผอ่ขึ้นมาอัตตาตัวตนโผอ่ขึ้นมา พระพุเจ้าก็ทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาแต่ถ้าเราปล่อให้อัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมามันก็ขัดแย้งธรรมะกับธรรมะของพระองค์แล้วตัญหาราคะมันเกิดขึ้นในหัวใจแล้วอัตตาไม่โผล่ขึ้นมาเมื่ออัตตาโผล่ขึ้นมาความคิดเห็นขัดแย้งกันมันก็มีขึ้นทิทิมาณ์มันก็มีขึ้นความประหัตประหารกันก็มีขึ้นเราดูในโลกเนี่ยในโลกใบนี้ที่เราเห็นเราเป็นเราอยู่ ก็เราทั้หลายรู้เรื่องข่าวคราวอะไรตา่างๆก็คือเราไปทําตามปลายเหตุทั้งนั้นปลายเหตุเหล่านี้มันก็มาจากตรงนี้เองถ้าหากเราไม่ศึกษาให้รู้จักาสาเหตุต้นต่อที่แทจ้จริงลองเอเราก็จะต้องมาลองเออยู่กันนี้จะต้องไปสนองอารมณ์ความโกรธบ้างความโลภบ้างความโกรธบ้างราคากัญหาบ้างอินชาริสยพยาบาด ท, ทั้งหลายทั้งปวงตามมาจนถึงอาฆาตยาบาดฆ่าแขง อย่างคนส่วนส่วนตัวค่าส่วนตัวส่วนกลุ่มค่าส่วนกลุ่มระดับประเทศค่ากันระดับประเทศนี่คือคือการเจริญตามปัญหาที่สมุทัยมันยุบแย่ให้เราต้องวิ่งตามมันฟังดูแล้วมันน่าเข็ดหน้าหลามหน้าเบื่อหน้านายแล้วเกินหน้าละอายหน้าเครียดแค่ให้กับที่เหลนหัวใจของเราโลกนี้เราไปสวัสดหาสันติยังไงจะเจอสวงหาไม่เจอ เราแสวงหาส device, we Some. Some. Some. Some. ันติเจอที่ตัวเราสมมุติอยายู่เต็มห้องเนี้ยมีคนนั้นก็สงบคนนั้นก็สงบคนนั้นก็สงบไม่ต้องไปแสวงหาสันติสันติภาพที่ไหนสันติภาพเกิดขึ้นในใจของเราแล้วไม่มีสันติภาพสักคนหนึ่งแล้วจะไปแสวงหาสันติภาพได้ที่ไหนแสวงหาไม่มีโลกเราไปเช่นเดียวกันคนไม่เคยรู้จักศีลไม่เคยรู้จักสมาธิไม่เคยรู้จักปัญญา ไปแสวงหาสันติภาพที่ไหนมันจะแสวงหาเจอแสวงหาไม่เจอหรอกเราฆ่าเราห้าเราไปฟาดเขาสิบเขาฟาดเราสิบเราไปฟาดเขาเป็นร้อยเขาฟาดเราเป็นร้อยเรายกพวกทั้งประเทศไปเล่นงานเขาเนี่ยหรือเขาก็ยกยกพวกทั้งประเทศมาเล่นงานเหมือนอย่างที่โลกมันเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วมันจะหาสันติภาพความสุขได้ที่ไหนเรามาพิจารณานดูอย่างนี้แล้วมันเป็นอะไรนะ สัตว์ว่าเป็นวาัะว่าสันติภาพเฉยคําว่าสันติภาพแปลว่าสันติภาวะภาวะแห่งความสงบสันติแปลว่าความสงบภาวะก็คือความมีความเป็นความมีความเป็นเพื่อความสงบสันติภาพภาวะแห่งความสงบถ้ามันไม่สงบไปจากกายท่านจะว่าอะไรสงบมันไม่มีอะไรสงบดอกกายเราไม่เคยสนใจให้เกิดในรับในรับความสงบเลยแม้แต่ในครูหรือก็ตาความสงบสันว์ไม่ได้ อาจจะเงียบสงัดซะหน่อยหนึ่งตอนทลายละสองทุ่มสามทุ่เพราะอะไรเพราะหลับตื่นขึ้นมาได้ยินอลไรเที๊ยวเจยวเยวะจี๊ยวมันดีดดากันตั้งทีสองทีสามละอะไรสงบสงัดไม่มีอะไรสงบสงัดดอกมันจะสงบสงัดไปจากที่เรามีศีลเรามีธรรมนี่เองเริ่มมีศีลเริ่มมีธรรมเราก็จะเริ่มมีภาวะของความสงบมันไปจากภาวะของจิตที่สงบนี้นี่เองเพราะฉะนั้น พระสัตยธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากินเกลือกูนกับพุทธบวริษฐ์ทั้งหลายตอนที่พูดธรรมะมาเนี่ยก็สิ้นระยะเวลานา น, านพอสมควรเท่าไร่็มารุ่นเป็นชั่วโมงนั่นแหละน่าจะพอสมควรแก่เวลาทหาท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอยู่บ้างก็พูดคุยสนทนากันได้จากนี้ไปถึงเวลาเท่าไหร่เมื่อหมดเวลาแล้วโอ้โหนี่มันสองทุ่งกว่าแล้วหมดเวลาเขาแล้วนี่บริโภคเวลาเขาจนหมด นะก็เอาเป็นว่าจบแค่นี้เหว่าเพียงเท่านี้